ก็เราได้เข้ามาในช่วงนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะตามมุติแต่ละครัสคือเราจัด10ถึง20อันนี้ก็เราจะลงปฏิบัติได้ก็16กถึง20ก ส, สิบสวันเองซึ่งความจริงแล้วคนนี้นาจะได้สัก10วันยัง น, น, น, นนะเพราะว่าเราไปยิดอยู่ทางอื่นในการ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 แล้วก็เป็นวิบากที่เราได้รับมายังมีความข <c oughs> ี้เกียจความอืดอายดยืดญาิความง่วงเหงาเขานอนความเพลินในความสุขสนุกสนานอยู่ก็เป็นวิบากกรรมที่ติดมายังมีความฟุ้งซ่านอาจินตนาการไปเรื่องราวต่างๆไม่จบไม่สิน้นก็เป็นวิบากกรรมที่มันติดจีตวิญญาณเรามาเรายังมีความลังเลสงสัยไม่แน่ใจ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 มันก็ได้แต่ในกรณีที่กาตัวรู้หรือสติใช่ไหมเราไม่แรงพอเราพยายามจับให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดเราพยายามที่จะไม่คิดมันก็คิดนั้นหมบคําว่าแรงเหวี่ยงมันยังแรงอยู่บางเรื่องเราไม่อยากคิดแต่มันก็คิดหรือบางทีจับไว้นิดเดียวมันก็ไปอีกล้ลักษณะนี้มันก็ยังมีกำลังของอวิชชาเพราะนั้นอวิชชาตันหาวัฏานมันพุ่งด้วย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 เลแล้วมันก็จะง่วงก็จะไหลละพอเราตัดกำลังมันพยายามเปลี่ยนนิยบุตพยายามปรับรูปน้ารนี้ให้มันตื่นตัวอยู่เสม อ, อความเพลินมันก็มามาเมื่อความเพลินไม่มาความเผื่อวิชาก็เข้าไม่ได้เมื่อตัดวิชาได้ตัณหาก็ตัดไปอุปท า, านก็ตัดไปกรรมก็ถูกตัดไปอีกพอตัดบ่อยเข้าไปเข้าแรงกรรมก็ลดลงลดลงเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือพยายามสังเกตว่าเราเพลินเพราะอะไรเพลินเพราะสุขเวทนา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 แก่งเวอร์ดนี้นเป็นเพลินด้านสุขเทนาแกว่งเวอร์ดนี้ไปด้านทุกขเวนาแ้่พอมีสติปับ๊บมันไม่แกว่งตกอยู่ตรงกลางมันไม่เพลินซ้ายเพลินขวา ม, มันไม่เพลินเผลอไม่มีอยากไม่มียึดไม่มีกรรมก็ไม่มีมมมแร ง, แงกรรมก็ลดๆลดๆลงไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นอยากจะตัดเวรตัดกรรมของตัวเองก็คือตัดความเพลินให้ได้เพราะกรรมเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราสั่งสมมาในอดีตมันอาศัยทางให้ความเพลินและความเพลินของเรานั่นเองเป็นที่มา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 เอาจิตเดิมแท้กลับมาคือความรู้สึกตัวล้วนๆคนรู้สึกตัวตรงๆซื่อๆเนี่ยด้ ว, ยว่าจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้มันสะอาดมันผ่องใสมันมุนงามอยู่ยแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปัศระมิทางจิตตังอาคันตุเกเสฮิอุบะกีถังว่าจิตที่เดิมแท้นผ่นองใสสะอาดบริสุทธิ์แต่เมื่อมีอาคันตุกะ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 แต่ถ้าหากว่ามันมีอะไรมาฉุดลั้งจิตของเราออกจากปัจจุบันไปก็ให้รู้ว่าอ้กากรรมใหม่แล้วกรรมมาจากอะไรมาจากยึดยึดมาจากอะไรมาจากอยากอยากมาจากอะไรมาจากเพลินเพลินมาจากมาจากเผลอแค่ น, นั้นเราไประวังความเผลอความเผลอความเพินความเผลอความเพลิน เ, น เ, นเนช่เนี่ยมันก็ไม่ไปสร้างกรรมแต่เราห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้แต่ให้รู้ทัน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 ก็าตามรู้เร็วเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นอตอนนี้เราตั้งแถวเดินชมกลมแล้วลงไปข้างล่างกัน